ทรงอนุญาตให้รับจีวรแลกเปลี่ยนได้ลาดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สาทรมิกะคือภิกษุภิกษุณีศิกขมานาสามเนนและสัมเนรีแลกเปลี่ยนจีวรกันได้ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาต ให้รับสิ่งของแลกเปลี่ยนของสาธรรมริก5ห้าเหล่านี้ได้แล้วรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้